เพียงแต่ไม่ทำความชั่วอยู่เฉยเฉยก็เป็นความดีเสียแล้วอย่างที่นี้ฝ่ายมิจฉาสังกัปปะเป็นพยาบาทสังกัปปะฝ่ายสัมมาสังกัปปะแทนที่จะเป็นเมตตากลับเป็นเพียงอพยาบาทสังกัปปะคือปฏิเสธ ฝ, ฝ่ายมิจฉาเท่านั้นความเข้าใจเช่นนี้ผิดพลาดอย่างไรจะได้ชี้แจงต่ อ, ต อ, ตอไปตามโอกาสแต่เฉพาะเรื่องนี้